อนาปติวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ469 1. นภิกษุผู้อธิษฐานภายใน10วัน 2. อภิกษุผู้วิกลภายใน10วัน 3. าภิกษุผู้สละให้ไปภายใน10วัน 4. ีภิกษุผู้มีจีวรสูญหายภายใน10วัน 5. ้ภิกษุผู้มีจีวรฉิบหายภายใน10วัน 6. กภิกษุผู้มีจีวรถูกไฟไหม้ภายใน10วัน 7. ภิกษุผู้มีจีวรถูกโจรชิงเอาไปภายใน10วัน 8. ภิกษุผู้มีจีวรถูกถือเอาไปโดยวิสาสาภายใน10วัน 9. ภ้าิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติ 470. สมัยนั้นพวกภิสษุฉัพคีไม่ยอมเคืนจีวรที่มีผู้สละให้บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิปรณนามพลทนาว่า ฉะนู้พิสูจนุชพัคีจึงไม่ยอมเืินจีวีนที่มีผู้สละให้เล่าแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ